ขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รงมประโิทธิยาณได้นำเสนอเรื่องธรรมจักรวัฒนสูตรกระจายออกไปกว้างไกลมากก็ใช้เวลามาเป็นปีนะฮะเกรนว่าก่อนจะเดินหน้าต่อไปก็น่าจะหันมาทบทวน ถึงโครงสร้างในธรรมจั ก, กรกัตตินสูตรเสียก่อนเพราะว่าปันเดี๋ยวจะเชื่อมต่อกันไม่ได้คือความว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่อิสิปัตนมรุกขายาวันแขวงเมืองพารานสีในคราวนั้นก็รับสั่งเรียกพระปัญจวัคคีย์มาแล้วรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ที่สุดสองอย่างนี้บรรพชิตไม่ควรเสดแล้วก็ทรงยกเอาตัวอย่างกรรมสุขารในการโยกคือการประพฤติตนให้ผัวพันหมกมุ่นบุนวายอยู่ในเรื่องการเรื่องทางเพศตลอดถึงเรื่องวัตถุสิ่งของที่จะตอบสนองความต้องการของตน แต่ว่าอย่าลืมว่าประเด็นที่ทรงเน้นเนี่ยว่าประสิทิตไม่ควรเสกเพราะวันประชิตนั้นเป็นผู้เว้นบาปต้องการบวชมาเพื่อประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตจนมีความสงบประนีตยเย็นเพิ่มมากขึ้นไปในจิตใจของท่านโดยทรงให้เหตุผลว่าฮีโนเป็นธรรมที่เลว คือการเสพกามนั้นเป็นการพุ่งไปแก่สัตว์ทั้งหลายการกินนอนกลัวนี่เป็นเรื่องทั่วไปแก่สัตว์ทั้งหลายว่าจะเป็นสัตว์ใลญ่สัตว์เล็กก็ตามก็ต้องมีเรื่องของกามอยู่เพราะว่าเป็นสัตว์โลกในกาบมาพบหรือกาบมาภูมิกโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านตั้งเรือนคือเป็นเรื่องของชาวบ้านที่จะต้องมีครอบมีครัวตั้งหลักตั้งฐานเป็นบ้านเป็นเรือนไอ้ น, นี่ไม่ว่ากันนะฮะ โดยเห็นว่าธรรมาเทศนาที่ทรงแสดงในบางคราวเราก็ต้องมองว่าแสดงระดับใดแสดงแก่ใครแสดงเพื่อวัตถุประสงค์อะไรหรือเอาไปปนกันก็ไม่ได้ประชาบ้านนั้นอย่างไรก็ต้องมีครอบครัวตั้งหลักตั้งฐานแต่จะมีการพูดในระดับกา ร, รมสีสมิชาจารย์จะพูดระดับนักเลงหญิงจะพูดระดับซัมซอนทางเพศ จะพูดถึงระดับที่ขาดความสุจริตใจระวังสามีปัญญาหรือจะพูดอีกระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ไปตัดทางที่จะสร้างบ้านสร้างครอบครัวของบุคคลเหราเนั้นเราเป็นธรรมะระดับของผู้ครองเรีอนแล้วก็ทรงแสดงว่าโปูตุชนิโกเป็นเรื่องของคนที่กิเลส ต, ต้องมากกิเลสหนานะฮะ หมายความว่าเรื่องของกลามเนี่ยที่จริงมันต้องมีอารมณ์มีความรู้สึกต้องการในทางเพศจึงจะสามารถเสพกามกันได้ถ้าไม่งั้นจิตใจมันไม่ไปเพราแม้แต่ชาวบ้านทั่วไปถ้าไม่มีความรู้สึกต้องการขึ้นมามันก็จะไม่มีความเสพกามเกิดขึ้นจะทรงแสดงว่าสังกัปปะราโคบริรสัท ก, กาโมความดริดเป็นกามของคน รับสั่งว่าดูกรอนกามปัจ น, นี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความด âm ดีนี้เองต่อไปเราจากไม่ด âm ดีถึงเจ้าอีกแล้วแล้วก่าจริงก็ไม่ใช่ไปจากคาตศึกคือกิเลสเป็นอนัติโยคือไม่ใช่ของประเสริฐมันก็เสพกามก็หมุนวนอยู่ในกามนะฮะเกิดแก่เจ็บตายหมุนวนอยู่ในกาม ศาสนาใดที่ยังสำรองความความหนักความพอใจในกาไม่ได้คนก็หมุนวนอยู่ในกามเหล่านั้นแล้วก็เอาข้จริงมันเหมือนกับความฝันมันเหมือนกันนอนหลับแล้วก็ฝันมันเหมือนกับสุนัขแทะ ก, กระดูกมันเหมือนกับเขียงหันเนื้อมันเหมือนการถือก็เพลิงทวนลม คือสรุปว่าสมมอุปมาเห็นว่าเอาเจ้าจริงมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่ควรแก่การภาคภูมิใจควรแก่การยึดติดควรแก่การกับหนักเพลิเพลิน<ๆ>ก็จบลงที่การพระพรากจากไปอย่างที่ท่านแสดงสภาพของชีวิตเอาไว้สี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแค่สองคนอสองคนพาไป สี่คนหามก็คือธาตุสี่สามคนแทกก็คือใจรักคนหนึ่งนั่งแคร์ก็คือจิตสองคนพาไปก็คือบุญและบาปมันเป็นวงจรเป็นวัตจักรของชีวิตมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเพราะนัการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่ครอบครองอ้นั่นของเราของเราของเราของเราในแง่ของการคุณเนี่ยเอาก็จริงมันก็ไม่มีจริงไม่ได้เป็นของเราจริง นโทษของการหมกปุ่นอยู่ในกรามในทรงสแสดงไว้สามข้อใม่ห้าข้อจากนั้นก็สรงแสดงถึงการทรมานร่างกายโดยวยพิธีการต่างๆโดยตาบายันยาพิธีต่างๆที่ยึดถือประพฤะติปฏิบัติกันในสมัยนั้นเป็นการสร้างทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นแก่ตนเองก็ส่งสอนในรูปของไม่ควรเสพมันกัน เพราะว่าทุกโขคือขอเกิดความทุกข์ด้วยประการต่างๆอย่างที่ระโพธิสัตว์อดประกยายหารานี่เงี้ยผ่อนเสเวยแต่วันละน้อยละน้อยจนไม่เสเวยเลยจะเสด็จไปไหนก็ส่วนล้มราติปรากฏทั่วทั่วพระวรากายพระโลมาก็หลดร่วงลงอมประหารรูปที่พระวรากายตรงไหนก็ขนก็ร่วงลงล่วงหลง่น ล, ล, ล, ล, ลงมาเนี่ยจะเสด็จไปไหนก็ส่วนล้มจนถึงก็สลดสลายไปเพราะว่าความขาดอาหาร อนาติโยคือไม่ใช่การกระทำที่เป쇄แล้วก็ไม่ได้ทำให้คนไปปราศะจาก ค, ค, คัเสกคือกิเลสได้อนตัตตาสันิโตเอาก็จริงมันก็ไม่มีสาระประโยชน์แก่สาระใดดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรแก่การแสดงความชื่นชมยินดีมกุ้นบุญวาอยู่กับเรื่องเหล่านั้นเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์ ที่จากนั้นก็ทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นอันตรถาคตใได้ ส, สูแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาทำยานเครื่องรู้คือว่าเป็นความรู้ที่มันเกิดผุดขึ้นภายในพระไทยของพระองค์ก็ทำลายสิ่งที่เรียกอาวิชาออกไปจากพระไทย แต่ว่าค่อยๆทำลายไปโดยลาดับนะฮะค่อยๆทาลายไปโดยลาดับาะประการตรงนี้จะมีความสำคัญว่าอย่างที่รับสั่งเล่าให้โพธิราชกุมารฟังว่าทุกโกราจะกุมารเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากอุปาิเหตเป็นจิตอ่อนตั้งมั่นไม่หวั่นไหว เป็นเจตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้และความรู้ก็เกิดขุดขึ้นภายในพระไถยเหมือนกับแสงสว่างอวิชาวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปปรากฏภายในพระไถยของปรงุงในจากนั้นก็ทรงแสดงถึง ผลซึ่งเกิดขึ้นจากจากักรุลกยานว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับคือหมายความบากิเลตมันสงบลงไปแล้วพอความรู้สูงขึ้นเหมือนกับปริมาณของแสงสว่างที่สูงขึ้นจนเกิดเป็นความรู้ดีแล้วก็ดับคือดับกิเลสดับเพลิงทุกข์เพลิงสิ้นเชิงก็หมายถึงอนิพานคือจะสรู้อนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ย แล้วรับสั่งว่าดูก่อนปสิสูทั้งหลายข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นเป็นเไหนที่ตาโคได้สัตย์รู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาทำญางเครื่องรู้นะเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับแต่ทางแปประการที่ไปจากขั้นศึกคือกิเลสนี้เองกล่าวคือ สมาธิติปัญญาเน้นชอบสมาสังกปะดําริ ช, ชอบสมาวาจาเจรจาชอบสมากัปันตะความประพฤติชอบประการงานชอบสมาชีวะเลี้ยงชีพชอบสมาวยามะพยายามชอบสมาถสติระลึกชอบสมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบแล้วก็รับสั่งว่าดูก่อนภิกษุตั้งหลายอันนี้แหล่ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นที่ตถาคตได้สั่งสู่แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาทำยานเครื่องรู้เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีเป็นไปเพื่อความดำบล้วจากนั้นก็ได้ทรงแสดงว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็นี่แลเป็นทุกข์ก็ยกแสดงเรื่องทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าในการอธิบายเนี่ยเต่มาอธิบายอริยมรรคในองค์แปดประการ มาตั้งแต่เขาเรียกว่าตอนต้นของประสูนะ่ะที่จริงก็ทรงแสดงไว้ข้างหลังแต่มาขยายอริมากออกไปโดยพิจิตพิสดาลเพราะงั้นในโอกาสต่อตอนนี้ไปเนี่ยเราก็จะเดินไปตามคืออริมกรักเราขยายได้พิสดารแล้วย่างอื่นเขาไม่พิสดารแล้วนะฮะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดได้พิสดารออกไปถือประการแรกที่ควร ทำความรู้จักก็คือเรื่องของทุกข์คำว่าทุกข์นี่ปรากฏสรุปแล้วก็สองสองสองส่วนใหญ่ส่วน ห, หนึ่งความทุกข์ในอริยสัตว์ความทุกข์ในอริยสัวทว์นั้นจะพูดถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับสิ่งที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็มาจากปัญหาคือหมายความมาสืบเนื่องมาจากปัญหากรอบมันจะแคบกว่าทุกขตาเกิดความเป็นทุกข์ ซึ่งเป็นกรอบที่ใหญ่ทุกขตาความเป็นทุกข์นั้นครอบคลุมหมดทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นนิพพานนะฮะก็ครอบคลุมหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเว้นอย่างเดียวคือนิพพานเท่านั้นเองที่ทุกมันคลุมไปไม่ถึงทีนี้ทุกเนี่ยก็ทรงจําแนกแสดงไว้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสภาวะทุกข์ ทุกคือความเกิดความแก่แล้วก็ความตายนอกนั้นก็เป็นทุกข์ที่จรเข้ามาเป็นความโศกความร่ำไรราพันธความทุกข์โกมนัดความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์การประสบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เป็นต้นนี่นะอันนี้ก็ถือว่าทุกข์จริงๆมันเกิดขึ้นมาจากจิตเราไปยึดเอา แต่กําหนดหมายเอาว่าเป็นทุกข์เราก็ไปยึดว่าเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์กันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นทุกข์โดยสภาพของมันคือว่าเวลาเกิดแก่คนหนึ่งก็อาจจะเป็นทุกข์เกิดคือพอเกิดขึ้นอีกคนหนึ่งก็อาจจะไม่เป็นทุกข์ก็แล้วแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นแก่ใครแต่นั้นเองทีนี้ในพระบาลีพุทธวัจนะตรงเนี่ยทรง ไม่ได้ส่งอธิบายไม่ได้ส่งอธิบายขยายความว่าแต่ละข้อแต่ละข้อนี่หมายความไปยังไงมันเป็นการแสดงถึงวุฒิภาวะของพระปัญจวัคคีย์ว่ามีวุฒิภาวะสูงมากเพราะว่ารับสั่งเฉยๆนี่ท่านก็เข้าใจแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องทุกข์เหล่านั้น มันเราก็พบว่าไปทรงอธิบายขยายความไว้ค่อนข้างพิสดารในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือตามปกติแล้วเกิดแก่ตายเนี่ยนะมันเป็นปัญหาที่ตกเฉียงกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องเกิดเนี่ยเราก็พูดออกไปในแนวใกล้ยๆกับว่าความคิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เกิดขึดองง้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็ถือว่าเป็นความเกิดความคิดดีก็ถือว่าเกิดดีความคิดไม่ดีก็เกิดไม่ดีคือคือว่าคําว่าเกิดที่แปลว่าชาตินี่ท่านไม่ใช้ในเรื่องเหล่านั้นคือการศึกษาพระพุทธศาสนาประเด็นสําคัญเนี่ยเราจะต้องจับประสาทถังสัพยัญชนางเกวลาปริพุนงังบริสุทธังปรมจารย์อย่างประกาเสสิ พระเจ้าทรงประกาศพระมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะเพราะเวลาทรงอธิบายในมหาสติปัฏฐานสูตรนี่รับสั่งว่าคือทรงอธิบายโดยก็เรียกว่าวิจิตพิสดารออกไป ในเรื่องของทุกในเรื่องของทุกสมุทัยในเรื่องของทุกกระนิโรธในเรื่องของทุกกระนิโรธคามินีปฏิปทาแล้วก็เสร็จแล้วก็มาสรุปสรุปว่าภิกษุทั้งหลายความจริงแห่งอเรียเจ้าความจริงอันแท้จริงนะฮะหรือความจริงที่ทำคนให้เป็นประเจ้าคือทุกเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็รับสั่งว่าแม้ชาติความเกิดเนี่ยก็เป็นทุก แม้ชราวความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แล้วก็ย่อยมาเรื่อยนะฮะย่อยมาเรื่อยจนถึงเป็นพวกประกินกนะคะทุกข์คือคือขยายในส่วนส่วนคำที่เป็นหลักๆ ก, ก่อนแล้วก็จะมาอธิบายทีหลังคือตั้งประเด็นอธิบายทีหลังเรียกวยกตัวอุเทศมันขึ้นมาก่อนแต่จากนั้นก็ทรงใครความอธิบายไปแต่ละข้อแต่ละข้อ ทุกนี้เราจะเห็นว่าก่อชาติความเกิดชรลาความแก่มรณะความตายนี้เป็นสภาพวัตถุคือทุกโดยสภาพของมันถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าเกิดแก่ตายถ้าสิ่งไม่มีชีวิตเราเรียกว่าวาระาทิฏฐิบังคัดคือเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปทีนี้กรอบของคําว่าทุกเนี่ยมันมาจากอะไรทันกฏนิยามไม่ว่าคําว่าทุกเนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยต่างๆ เช่ว่าชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยองค์ประกอบหลักของความเป็นชีวิตก็คืออวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปก็กลายเป็นชีวิตอนะ่ะต่อไปก็ได้อายตนะได้ปัสสะอเบตน า, าแต่ว่าองค์ประกอบของความเป็นชีวิตเนี่ยหนึ่งเราต้องมีกิเลสเขาว่ากิเลสหรืออวิชชาในที่นี้ไม่ได้หมายความกิเลสแค่แท้นะฮะมันก็มีธรรมะปนอยู่ มากหรือน้อยก็เป็นรายละเอียดแต่ว่าศาสต์ใดที่อวิชายังไม่ถูกทําลายไปเนี่ยศาสตร์นั้นท่านจะเรียกว่าอาวิชช า, าะอะไรเพราะวันนาไปสู่พพนําไปสู่สังสารวัฏเป็นบุญประเภทวัตกามีกุศลคือบุญที่นําคนไปสู่สังสารวัฏดังนั้นท่านก็เรียกว่าอาวิชชา เมื่ออวิชามันมีทั้งบุญทั้งบาปนะครปนกันอยู่เนี่ยทั้งดีทั้งชั่วปนกันอยู่แต่ว่าอยู่ในแวดวงในบงการของอวิชาอยู่ท่านก็ยังเรียกว่ามวิชาทำให้สังขารไม่เป็นได้ทั้งบุญทั้งบาปแล้วก็ทั้งแม้แต่อรูปฌานแล้วนะฮะยังก็ถือว่าเป็นสังขารอยู่เพราะว่าอารูปฌานเป็นเหตุใ้คนบังเกิดในในอรูปภพ ทำไมสังขารยังเป็นทั้งบุญทั้งบาปและทั้งอนเนจชาคืออรูปฌานแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจยความคับแค้นใจก็ว่ามาเรื่อยนะฮะผลชาติความเกิดเนี่ยมันมีไปเรื่อยจนโน่นไปจนถึง พระาคามีนะฮะเป็นถึงพระนาคามีก็แสดงว่าจากพระนาคามีลงมาเนี่ยทุกคนต้องเกิดกันนั้นเกิดแล้วก็ต้องแก่แก่ก็ต้องตายในช่วงระหว่างเกิดถึงตายเนี่ยมันมีปัญหาทับทับซ้อนขึ้นมาอีกเป็นอนเนกกันนั้นแต่ทรงแสดงว่าเป็นทุกข์ที่จรเข้ามาคือไม่ใช่ทุกแท้ หมายความว่าเราจะยึดก็เป็นทุกข์ไม่ยึดก็ก็ไม่ทุกข์มันแล้วแต่แล้วแต่เราจะคิดเอาคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เรื่องยิงกันตายอะไรแต่ไรเนี่ยเราเป็นเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะฮะเรื่องน่าสังเกตว่าการฆ่าคนตายแล้วหนีจนเดี๋ยวนี้จับไม่ได้เนี่ยมันกี่พันลายเราก็ไม่รู้นะ อยู่เรื่องเดียวตั้งน้ะหลายวันอย่างนี้มันก็แปลกสังคมก็แปลกมันเป็นกระแสะที่สร้างขึ้นมันมีอะไรหรือเปล่าในตรงนั้นหรือบางครั้งบางคราวการทำความเข้าใจกับอารมณ์ตัวเองเนี่ยเราเรียกร้องความเป็นธรรม่าถามว่าทาไมไม่เรียกร้องทุกรายละ่ะทำไมเรียกร้องอยู่รายเดียวละ่ะ มันก็ไม่เกี่ยวความเป็นธรรมนะถ้ามันเป็นอาคติมันเป็นโทสักติมันเป็นโมหะคติแต่เราก็สับสนวันก่อนเนี่ยไปคนเขานิ ม, มนต์นะฮะในฐานะกรรมการวัดเนี่ยไปร่วมประชุมที่เกี่ยวกับการจัดการของผลประโยชน์ของวัดอะไ ร, ต, รต่างๆเนี่ยคือคนที่เช้าเนี่ยเขาเรียกร้องแต่ให้วัดเมตตาเขา แล้วก็ให้ค่าเช่าวัดนี้เดีย ว, วเราคนมาเนกะเลมาแล้วนะนั่นเนกะเลมาแล้วผมก็จะมาปรับไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นระบบเป็นก ฎ, เ ป, นกฎเป็นเกณฑ์เป็นเสมอภาคกันโดยมีเกณฑ์มีเกณฑ์มหมดนะฮะมีเกณฑ์มีก ฎ, ม, ก ฎ, ม, กฎมีเกณฑ์ทั้งหมดไม่จะ่ทำเอาเองไม่ได้ใช้อารมณ์เอเคพื้นที่อะไ ร, ต, ะไรต่างๆมาก็ก็ฟังดูเราก็ฟังได้นะนะแล้วก็ก็เรียกร้องให้พระเมตตา ไอเมตตาไปลดเอาสมบัติของวัาศาสนาไปลดในชาวบ้านเนี่ยมันไม่จะเมตตาในมะนาคติเป็นการทำลายทรัพย์สินของแผ่นดินนะฮะทรัพย์สินของศาสนากับทรัพย์สินของแผ่นดินนี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือเราจะเอาทำอย่างสมบัติส่วนตัวนี่ไม่ได้นึกจะลดให้ใครนึกจะเพิ่มให้ใครเนี่ยมันมั น, ม, นมันไม่ได้เราไปทําอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ใช่ของของเรา แล้วก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติไม่ชอบตามสถานะตามหน้าที่เวลาเรียกร้องผลประโยชน์จากคนอื่นเรียกร้องเมตตาเรียกเมตตาจากคนอื่นแต่ไม่นึกว่าเออเมตตาเนี่ยเราก็ต้องให้กันอะกันแล้วก็จริงๆเนี่ยข่ายหน้าที่ที่เขามาดำเนินการเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะฮะเขาไม่ได้อะไรเลยนะ แล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆซึ่งเขาเคยได้มาเนี่ยเขาก็ตัดออกไปเพื่อจะมาช่วยบริหารหมู่นิติช่วยบริหารวัดผล ป, ประโยชน์ต่างๆของวัดนะฮรแต่ว่าคนที่กําลังจะรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียผลประโยชน์คือขาดทุนกําไรนะได้น้อยไปเมื่อก่อนมันได้เยอะ ก็ได้น้อยไปเลยก็ไม่พอใจไปเรียกร้องความเป็นธรรมตามตื้อมาถึงกุติเลยนะฮะให้ท่านเมตตาสงสารอะไรแต่ละเออก็แปลกเนี่ยยังนึกว่าเออคนเนี่ยก็แปลกธรรมะในหมายความมายอย่างไงแกเราจะต้องเข้าใจกรอบของธรรมะว่าหมายความมายอย่างไงวันถ้าถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเนี่ยมันก็เกิดสับสนแล้ทั้งๆั้ที่มันดีๆเนี่ยแต่มันไม่ใช่ธรรมะ จนว่าเราผลประโยชน์ของแผ่นดินไปสงเคราะห์ญาติพี่น้องเราเนี่ยโอ้ถ้ามองระหว่างเรากับญาติพี่น้องคล้ายๆกันเมตตาแต่พอเอาของที่เป็นของแผ่นดินไปสงเคราะ์เนี่ยมันไม่ใช่เมตตามันเหมืนคอรับสั่นนะฮะมันคอรับสั้นมันเป็นทุจริตต่อแผ่นดินดนการความความคิดของคนเนี่ยมันต้องปลอก ต้องโปร่งพอสมควรเนี่ยนะฮะต้องโปร่งพอสมควรคือไม่เอาตัวเองก็ไปผูกพันไว้แล้วก็ตัวเองจะต้องเป็นศูนย์ของความถูกต้องเสมอไปอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมแต่ว่าเขาก็ยุติธรรมคือเขาได้คือยุติธรรมแต่ว่าเขาเสียแล้วก็ไม่ยุติธรรมอย่างนี้มันก็แย่ปัญหาท้งเนี้คยคือฟังเคยสังเกตพวกมบ็บพวกเรียกร้องผลประโยชน์ทั้งหลายนี่เห็นแก่ตัวงั้นะ คือไม่ได้นึกว่าตัวเองเนี่ยแม้แต่สํานึกกระตันอยู่เนี่ยนะสํานึกกระตันอยู่เราอยู่ในแผ่นดินของวัดมาวัดเนี่ยก็กปู้ญาติยายรุ่นปู้ญาติยายเขาก็สร้างมาเกาบริจาคมาเพื่อจะหาประโยชน์ทนุบำรุงระศาสนาตัวเองเข้ามาอยู่เนี่ยแล้วก็น่าจะสนองเจตนารมของผู้ที่บริจาค ตามเหมาะตามควรไม่ใช่มากเกินไปนะวัดแต่มันเอาอะไรมากเกินไปไม่ได้หรอกแต่ว่าเนี่ยนึกว่ากับสถาบันประมหากษัตริย์กับทัพย์สินสวนพระมหากษัตริย์เต็มควรจะไปกันได้อันนี้ก็แวะออกมาข้างนอกหน่อยเป็นลีลาอารมณ์นะคือเราเก็งว่าน่าเป็นลีลาอารมณ์ของคนท้องฟังทนงยายใต้ร่มหลวงปู่ยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมั่งมาไปบูรณาธรรม จะมีแด่ท่านผู้ฟังต่างหลายโดยทั่วกันสวัสดี